อิ่มเอิญอิ่มก่อนรีบจะไปดูละครขนหนังทิ้งสําหรับคับคอนไว้วรุงรังเหมาคนอิ่มทีหลังให้ล้างชามการเฝ้าเอาเปรียบกันอย่างนี้มิดีหนอเจ้าฟังเราห้ามคบเพื่อนฝูงจงอุตส่าห์พยายามรักษาความสามัคคีจงดีเอ่ยสวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านวันนี้ขึ้นต้นด้วยบทต้องเรียกว่าเป็นบทเอ่อ ดอกส้อยอิ่มก่อนดูขนดูหนังซึ่งเป็นบทพระนิพนธ์ของพระเจ้าน้องยาเธอกรมหลวงดำรงราชานุภาพซึ่งดำรงพระอิสริยยศในขณะนั้นขึ้นด้วยดอกส้อยอิ่มเ อ, อ๋ยอิ่มก่อนคนรุ่นก่อนนี้ก็คงจะขุนขุนกันดีเพราะเราก็ท่องดอกส้อยกันมา เด็กเอ๋ยเด็กน้อยความรู้เรายังด้อยเร่งศึกษา น, นี้เราก็ท่องกันมาแมวเอ๋ยแมวเหมียวรูปร่างปราดเปรียวเป็นนักหนาอะไรอย่างเงี้ยเราก็ท่องกันมาบทหนึ่งซึ่งจําได้ขึ้นใจก็คืออิ่มเอ๋ยอิ่มก่อนนี่แหละการที่ตีความจากบทนี้ว่าอิ่มเอ๋ยอิ่มก่อนรีบจะไปดูละครขนหนัง ทิ้งสำรับคับคอนไว้รุงรังเหมาคนอิ่มทีหลังให้ร้างชามนั้นเนี่ยหมายความว่าอย่างไรไม่ขะมะมัน จ, จะเป็นพฤติกรรมที่เท่านดํารงราชานุภาพท่านก็ส่งเปรียบเอาไว้แล้วว่ามันไม่ค่อยดีเท่าไหร่หรอกนะการที่จะใครกินก่อนกินหลังอะไรนั้นเนี่ยอาจจะมีเหตุมีผลของการที่ต้องกินก่อนกินหลังใครจะกินก่อนกินหลังก็ตามแต่ถึงท้ายที่สุดทุกคนต้อง มาร่วมกันล้างถ้วยล้างชามรักษาความสามคัคคีจงดีเอย่ยนี่คือบทสุดท้ายที่ท่านฝากเอาไว้เอ อ, อยางที่พูดแล้วว่าการที่เราจะกินก่อนกินหลังนั้นเนี่ยผู้ที่อยู่ในแวดวงการค้าร้านขายของชำร้านอะไรตั้งหลายอย่างเนี้ยก็จะเข้าใจอันนี้ดีหรือไม่กระทั่งคำเปรียบเทียบที่บอกว่าก็กินแบบชาวช่างตีเหล็กะ ช่างตีเหล็กก็ไม่มีเวลาที่จะหยุดพร้อมกันทำพร้อมกันก็เนื่องจากว่าเขาจะต้องอตีเหล็กซึ่งก็ต้องอมีการพัดมีการเป่าไฟให้มันลุกโชนอยู่ตลอดเวลาอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นก็อ่ะคนนี้ทาคนนู้นไปพักคนนั้นพักแล้วก็มาแตะมือทำงานกันต่อนี่คือเรื่องของการที่เรียกว่ากินแบบช่างตีเหล็กหรือไม่ก็แบบพ่อค้าแม่ขาย ผัวกันเมียกันจะได้กินพร้อมกันอีกน้อยมากเพราะว่าบางทีหน้าร้านก็อ่ผัวเฝ้าเมียไปกินก่อนกินเสร็จแล้วก็กลับมาแตะมือกันไปผมขึ้นด้วยอิ่มก่อนดูขนดูหนังนั้นเนี่ยก็ไม่ได้มีจิตนาที่จะมาพูดกันเรื่องนี้หรอกเพราะว่าถ้าจะพูดไปแล้วเนี่ยถ้าเรามองคนรอบข้างเราอาจจะมองว่ามันเป็นเรื่องมารยาทสําหรับบาง บางอย่างในลักษณะของอิ่มเอิญอิ่มก่อนนั้นจะเป็นมารยาทหรือไม่อันนี้ไม่แน่ใจในบ้านของเรานอกบ้านของเราในที่ทํางานในที่สาธารณะอะไรทั้งหลายนี่ต่างก็แต่ล้วนต้องใช้มารยาทด้วยกันทั้งสิ้นขออนุญาตเริ่มที่ในบ้านก่อนแล้วกันการกินข้าวเนี่ย จะถือเป็นมารยาทหรือไม่ไม่รู้แล้วแต่แล้วแต่ธรรมเนียมนิยมของแต่ละบ้านอย่างบ้านตัวเองเราไม่ค่อยมีเวลามานั่งกินข้าวพร้อมกันเพราะว่าด้วยอาชีพด้วยอาชีพที่ค้าขายด้วยอาชีพของออการจะต้องลุกขึ้นไปทํานู่นทํานี่บ้างหรืออะไรบ้างเนี่ยทำให้เราไม่สามารถมานั่งกินร่มรวมๆกันได้ การกินข้าวในครอบครัวชาวจีนวงเล็บค่อนข้างจะโบราณในนี้ต้องใช้อย่างนี้นะครับว่าค่อนข้างจะโบราณเพราะว่าอาแม่และเตี่ยอพยพมาจากแผ่นดินใหญ่ที่จีนแผ่นดินใหญ่ส่วนแม่ก็อพยพมาจากมาเลเซียวิธีการกินข้าวในบ้านนั้นเนี่ยจะถือธรรมเนียมนิยมแบบชาวจีนโบราณก็คือ อา마ซึ่งอโวโสสูงสุดเตียไอเฮียและตัวขพเจ้าสามสี่คนนี้จะได้สิทธิ์ในการรับประทานอาหารก่อนกินข้าวก่อนจะเพราะเหตุผลอะไรนั้นก็อาจจะมีเหตุผลละมังหรือจะไม่มีเหตุผลเป็นเรื่องการกดขี่ข่มเหงเป็นเรื่องอะไรก็สุดจะเดาละ่ะแต่ธรรมเนียมนิยมก็ถือปฏิบัติกันมาอย่างนี้ ชรอยว่าบ้านเราไม่ใช่บ้านใหญ่โตบ้านเราแคบแคบโต๊ะกินข้าวมันก็คือโต๊ะหนึ่งเนี่ยซึ่งเป็นโต๊ะสี่เหลี่ยมที่บ้านมันก็แทนที่จะนั่งได้ครบทั้ง4ด้านก็กลายเป็นว่าต้องไปชิดผนังเสียหายไปแล้ว2ด้านเพราะฉะนั้นเหลือ2ด้านเท่านั้นสำหรับการที่จะบรรจุคนลงไปนั่งรับประทานอาหารถามว่าแล้วแม่ทาไมไม่มานั่งด้วย 1. นึ่เนียมนิยม ของชาวจีนโบราณลูกสับภพยยังไม่ให้นั่ง 2, แม่นั่งทำขนมซึ่งก็เป็นขนมที่ต้องใช้ความร้อนตลอดเวลาซึ่งก็ใช้เตาถ่านนี่แหละสมัยก่อน 40-50 ปีที่แล้วไม่ได้มีเตาแกส๊สเตาอบอะไรแบบนี้เพราะฉะนั้นจึงก็นั่งทำไปตรงนั้นไปถามไปแล้วลูกสาวไปไหนอีกลูกสาวก็ยังไม่ได้รับอนุญาตให้นั่งโต๊ะกินข้าวโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ลูกสาวซึ่งอายุยังไม่ถึงเกณฑ์15ปีถือเกณฑ์15ปีในคำที่ถอดจากภาษาไต้ิวว่าออกสวนดอกไม้เพราะว่าวัยเด็กเขก็เหมือนกับอยู่ในสวนดอกไม้แต่ตอนนี้โตแล้วออกจากสวนดอกไม้ก็ต้องรู้ถูกรู้ผิดแล้วนั่นแหละถึงได้มีโอกาสที่จะมานั่งโต๊ะได้เอาแล้วก่อนหน้านั้นกินกันอย่างไร พี่สาวเอวยน้องสาวเอวยก็จะตักข้าวราดราดกันไปแล้วก็ไปนั่งกินกันตรงโต๊ะรับแขกบ้างนั่งกินกับพื้นตรงไหนบ้างตรงบันดงบันไดอะไรก็ว่ากันไปสิ่งซึ่งในบ้านถือเป็นหลักปฏิบัติข้อหนึ่งเลยถูกอบรมสั่งสอนมาตลอดคือผู้ใหญ่ต้องกินก่อนเด็กนี่จุดที่หนึ่งเมื่อเด็กกิน ต่อให้ผู้ใหญ่กินแล้วหรืออะไรก็ตามแต่เหมือนอย่างตัวเองได้สิทธิ์ในการกินก่อนแม่ก็จะต้องเรียกต้องเรียกแม่ให้กินข้าวหรือเรากลับมาจากที่ทำงานเรากลับมาจากเรียนหนังสือในตอนเย็นย่ำซึ่งผู้ใหญ่ก็กินไปแล้วถึงเวลาเรากินก็ยังต้องเรียกนี่คือจุดที่จะว่าดีก็กดีสอนให้เป็นคนมีสัมมาคาระวะ สอนให้เอาใจเขามาใส่ใจเราสอนให้เกิดการสร้างมนุษยสัมพันธ์เล็กๆภายในบ้านก่อนก่อนที่จะก้าวออกไปสู่ข้างนอกนี่คือเรื่องในบ้านว่าด้วยเรื่องกินการกินมารยาทก็ต้องกินให้มันเป็นที่เป็นทางไม่ใช่อยู่ตรงไหนก็กิกนได้กินก็ต้องเลือกเวลากินให้มันเป็นเวลามเวลาไม่ใช่นึกจะกินก็กินนึกจะไม่กินก็ไม่ต้องกิน ถ้าอยู่กันอย่างนี้ก็แย่ครับแย่ yeah. คนไทยนิยมอย่างหนึ่งคือต้องกินพร้อมๆกันอันนี้ว่ากันโดยสังคมไทยว่าเมื่อจัดสำรับแล้วเนี่ยก็กินพร้อมๆกันสำรับไม่ใช่ตักข้าวคดข้าวใส่จานแล้วก็เอาแกงราดไปเอาผักปกเข้าไปอะไรมันไม่ใช่อย่างนี้อย่างนี้ไม่เรีย ก, กว่าสำรับสำรับต้องจัดเป็นเรื่องเป็นราวเช่นมี โตเตียตเตี้ยเป็นตังประมาณอย่างนั้นปูผ้าขาวรองลงไปวางจานวางช้อนอะไรให้เรียบร้อยมีขันน้ําสําหรับล้างมือมีผ้าสําหรับเช็ดมืออะไรถ้าหากว่าจะทําให้มันเป็นเรื่องขนาดนั้นคนไทยนิยมกินกันเป็นเป็นหมู่เป็นกลุ่มกลุ่มมีอะไรได้พูดคุยกันมีอะไรปรึกษาหารือกันใครที่ ยังไม่มาบางทีก็ต้องรอกันว่าคนนั้นยังไม่มาคนนี้ยังไม่มาเลยนี่เป็นเรื่องราวในชีวิตของเราว่ากินก็ต้องกินเป็นเวลาไม่ฉีดนึกจะกินก็กินเวลาไหนก็ได้คนรุ่นใหม่นี่ไม่ค่อยจะมีกาละเท่าไหร่อยากทำอะไรก็ทำเมื่อตัวเองพร้อมไม่พร้อมก็ไม่ทำไม่คำนึงว่าโหอกเขาโหอกเรา การที่เขากินพร้อมกันแล้วเรามากินทีหลังกับข้าวกับปลามันอาจจะไม่เหลือเพราะเรามากินทีหลังเราก็จะไปนึกนินทาเขาอีกว่ากินอะไรไม่เผื่อไม่แผ่คนอื่นทั้งที่จริงเขาก็นัดกินกันอยู่แล้วในเวลานั้นนี่คือเรื่องของการกินสังเกตว่าคนรุ่นใหม่นี่บทจะกินก็กินกันตอนเย็นก็กินแล้วนัดแกไปกินหมูกระทะนัดแกไปกินจาบูนัดไปกินบุฟเฟ่ กินแล้วกลับมาบ้านเที่ยงคืนสองยามอะไรก็ลุกขึ้นมากินอีกเอาอย่างนี้ก็แย่แล้วนะเพราะว่ากินกันไม่เลือกเวล า, เ, าเวลามเวลากันขนาดขนาดนั้นการกินก็มีมารยาทอื่นอื่นอีกการอยู่ในโต๊ะอาหารพูดไปส่งเสียงดังไปเล่าหัวอะไรกันไปเอออเอออะคนโบราณถือ เพราะว่าเดี๋ยวเศษข้าวเออเอร เ, เออมันจะกระดงกระเด็นเข้าไปโดนเอาอาหารซึ่งเป็นสำรับที่คนอื่นเขาก็กินพร้อมๆกับเราก็ไม่พูดคุยกันเสียงดังจัดที่จัดทางให้มันเป็นเรื่องเป็นราวมารยาทในการที่จะตักอาหารยิ่งถ้าเป็นคนภาคใต้เนี่ยนะใครเป็นคนภาคใต้วงเล็บที่ ถือสาเรื่องของเวลาการตักกับข้าจะรู้ดีเลยว่าเวลาใครคนหนึ่งเขากําลังตักอาหารตรงกลางเนี่ยแล้วเราเอื้อมมือไปข้ามมือของเขาเนี่ยนะข้ามมือข้ามแขนเขาไปเนี่ยเขาจะโกรธมากเพราะว่าเขาถือว่าทําให้เขาเสื่อมสเสน่ห์ความจริงแล้วมันไม่เกี่ยวกับเสื่อมเสน่ห์หรอกมันเกี่ยวกับการต้องดูจังหวะจะโคนวะคนอื่นเขากําลังตักอยู่แล้วเรา อรียารามเหมือนแสดงว่าเราอยากมากหรือยังไงถึงได้เอื้อมข้ามเขาไปอย่างนั้นอันนี้เป็นเรื่องของธรรเนีมนิยมแต่ละท้องถิ่นซึ่งก็อาจจะเหมือนหรืออาจจะไม่เหมือนกันก็ตามแต่ละเนาะอ่ะคงต้องพักกันสักครู่แล้วเดี๋ยวกลับมาคุยกันใหม่ว่าด้วยเรื่องมารยาทครับ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 บางวัน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 มารยาทภายในบ้านว่าเราควรต้องยังไงถึงจะเป็นคนในบ้านเดียวกันก็ควรต้องมีความเกรงใจเป็นที่ตั้งคนไทยเรามีคําว่าเกรงใจคนจีนก็มีคํานี้เหมือนกันที่แปลได้ตรงกับคนไทยว่าเกรงใจแต่คนฝรั่งไม่ค่อยมีคําไหนที่จะแปลได้ตรงหรือ ถ้าจะใกล้เคียงอาจจะมีคำว่า considerate ซึ่งแปลว่าก็คิดพิจารณาให้ดีก่อนแล้วการก่อนที่จะทำอะไรแต่มันก็ไม่ใช่เกรงใจมันบอกไม่ถูกว่าจะให้แปลให้ตรงใจอย่างไรบ้างเนี่ยนะครับเอออยู่ในบ้านเดียวกันความเกรงใจก็ต้องมีซึ่งก็ประหลาดก็คือว่าคนบางคนกับคนในบ้านซึ่งก็อยู่ใกล้ชิดกันมากใช้เวลาด้วยกันมากเนี่ยนะ กลับไม่เกรงใจแต่กับคนอื่นซึ่งก็รู้จักกันผิวเผินเลยก็ดันทะลึ่งไปเกรงใจซะอย่างนั้นนั่นคงต้องคิดในทางที่กลับกันยิ่งคนอยู่ใกล้เราเราก็ยิ่งต้องเกรงใจมากขึ้นมากขึ้ น, ม า, นมากกว่าเอาละ่ะเช่น เ, เรื่องการกินที่ว่ากันไปแล้วเรื่องอื่นเช่นการอาบน้าการเข้าห้องน้าอย่างเงี้ยก็ต้องคานึงว่า เราควรจะใช้ห้องน้ำเวลาไหนเราควรต้องใช้ห้องน้ำในเวลาสักกี่นาทีสักอะไรอย่างเงี้ยฝรั่งเองเวลาเขาเข้าห้องน้ำหมายถึงว่าในหน้าหนาวเขาเนี่ยเขาจะอาบน้ำกันแค่ไม่กี่นาทีตอนที่ไปอยู่กับเจ้าของบ้านชาวชา ว, ชาวต่างชาติก็จะบอกเลยว่ารบกวนว่าคุณอาบน้ำเนี่ยให้เลือกว่าจะอาบตอนเชา้าหรือตอนค่า มีให้เราเลือกด้วยนะแล้วก็อาบน้ําครั้งหนึ่งก็ขอว่าอย่าให้เกิน5้านาทีนะนี่เราเองก็งงๆว่าอะไรก็อาบน้ําแค่นี้เองเขาก็บอกว่าค่าไฟฟ้ามันแพงเพราะว่าอากาศมันหนาวจําเป็นต้องเปิดเครื่องทําน้ําอุ่นน้ําร้อนอะไรอย่างเงี้ยนี่คือบ้านอื่นเมืองอื่นเขาก็เป็นอย่างนี้กัน ของเราอาบน้ํากันทีหนึ่งบางคนกับเป็นชั่วโมงขัดสีฉวีวันอะไรกันนักกันหนาโดยไม่เกรงใจว่าคนอื่นเขาจําเป็นต้องใช้ห้องน้ําหรือทํานองเดียวกันไปบ้านคนอื่นไปบ้านคนอื่นไปเข้าห้องน้ําห้องท่าคนอื่นเขาก็ดูซ้ายดูขวาให้มันเรียบร้อยหน่อยก่อนที่จะลุกออกมาไม่เฉยถือวิสาสะไปหยิบของใช้ส่วนตัวของเขามาใช้โดยไม่ได้ขออนุ ญ, ญาต หวีเขามาแปลงผมบังละไปหยิบน้ำหอมเขามาฉีดเล่นบังละอะไรทำนองอย่างนี้สะท้อนเห็นว่าเราขาดมารยาทขาดคุณสมบัติของการเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันอะเรื่อยเรื่อยไปจนกระทั่งมารยาทอื่นๆเช่นในที่ทำงานการจะไปหยิบฉวยอะไรของใครมาใช้คงต้องคิดให้รอบคอบก่อน เราอาจจะไม่คิดแต่คนอื่นเขาคิดหรือคนอื่นเขาคิดเท่านี้แต่เราไม่คิดเลยบางคนเขาคิดมากเราคิดแต่เราก็คิดน้อยการหยิบฉวยเอาถ้วยกาแฟของใครมาเที่ยวกินโดยเจ้าของเขาไม่ได้ไม่ได้พอใจที่จะให้นี่คือจุดที่หนึ่งถ้าหากว่าเราไปหยิบเข้ามาแล้วใช้แล้วแล้วเรา ล้างไปด้วยมันก็คงไม่เป็นไรละมัง่งนี่บางคนก็หยิบเข้ามาแล้วก็ไม่ได้ล้างก็วางต่อไปเจ้าของกลับมาจะมาใช้ก็รู้สึกรังเกียจรังงอนที่จะหยิบถ้วยกาแฟที่ตัวเองไม่ได้ดื่มแล้วก็ต้องมาล้างให้ด้วยหยิบ้วยเรื่องอื่นๆโดยเจ้าของเขาเขาไม่อยู่หรือเขาอะไรอย่างเงี้ยถ้าหยิบไปใช้ก็ควรต้องมีมารยาท บางคนหยิบอที่เย็บกระดาษของนุญาตาเรียกตามวัยรุ่นว่าเย็บแม็กซ์นะนะก็หยิบแม็กซ์เขามาใช้พอหยิบแม็กซ์เขามาใช้ของเขาเคยวางทางขวาก็ไปวางของเขาทางซ้ายเย็บไปเย็บไปจนกระทั่งลวดเสียบมันหมดก็ไม่ได้หามาเติมให้เขาพอเจ้าของเขากลับมาใช้ก็ต้องเดือดร้อนไปหามาเติมอะไรประมาณอย่างนี้นับวันคนจะ ถือวิสาสะมากขึ้นมากขึ้นที่พูดว่าถือวิสาสะนั้นมันก็มาพร้อมๆกับคำว่ามารยาทอยู่ด้วยกันบางทีถ้าเกิดเราอยู่คนเดียวตอนนั้นตอนนั้นสมมติอยู่ที่ทำงานแล้วเราเปิดเพลงที่เราชอบเสียงก็ไม่ดังมากหรอกแต่พอเพื่อนร่วมงานเรากลับมาหรืออะไรก็โดยมารยาทหนึ่งเราก็ปิด ถ้าหากเพื่อนเราบอกไม่เป็นไรเออเราก็ค่อยเปิดต่อได้อันนี้เป็นเรื่องของมารยาทบางคนทึกทักเอาทึกทักหยิบเอาขนมขาต้มซึ่งก็เขาวางเอาไว้เขายังไม่ได้ชวนเลยไม่ได้ถามเลยว่ากินได้หรือเปล่าหรืออะไรอย่างนี้ถือว่าไม่เป็นไรเราก็ซีกันอยู่แล้วนั่นหรือบางคนจะทำอะไรก็ไม่ได้คิดว่า จะต้องถามเขาเช่นเรื่องโทรศัพท์บ่อยที่เดียวที่เวลาสอนหนังสือก็จะบอกนักศึกษาว่าเธอจะโทรหาใครที่ไม่ได้สนิทกันเป็นเพื่อนสนิทอะไรเธอเนี่ยนะเธอก็ควรนําขึ้นมาด้วยประโยคว่าขอโทษนะคะขอโทษนะครับพอจะว่างคุยด้วยไหมเออน่าจะอย่างนี้มากกว่าไม่ใช่พูดพูดพู ด, พดทุรจนเสร็จจับของตัวเอง โดยไม่ได้ถามว่าเขารู้สึกอย่างไรที่จะพูดกับเราแล้วเราก็ไม่สังเกตด้วยนะบางคนก็ไม่สังเกตว่าปลายสายก็อืออืออ่ออืออืออ่อออก็ต้องรู้แล้วว่าเขาอาจจะไม่สะดวกที่จะคุยเขาอาจจะอยู่ในห้องน้าเขาอาจจะกำลังรับประทานอาหารนอกบ้านเขาอาจจะกำลังทำกิจธุระส่วนตัวอื่นหรืออะไรก็ตามแต่ละอันนี้เป็นเรื่องมารยาทขั้นพื้นฐานเออ บางคนนี่ไปอยู่หอพักด้วยกันเช่าบ้านด้วยกันถึงเวลาหนึ่งก็หยิบเสื้อผ้าของเพื่อนไปใช้โดยที่ไม่ได้บอกหรือถ้าจะขอยืมเพื่อนมันก็บางคนเขาก็ไม่ค่อยสนิทใจที่จะให้ใครมาหยิบยืมเสื้อผ้าอภรรเขาไปใช้อันนี้เท่าที่เจอมาบางคนนะครับแม้กระทั่งว่ากันไกลตัดเล็บ หลายคนอาจจะมองไม่ออกว่าทำไมต้องพูดเรื่องกันไกลตัดเล็บมันมีอะไรหรือตัวเองก็เพิ่งจะมาตระหนักดีในหลังๆเพราะว่าไม่เคยมีใครสอนไม่เคยมีใครบอกด้วยความที่ทึกทักเอาตลอดเวลาว่ากันไกลตัดเล็บที่บ้านฉันก็มอยู่อันเดียวก็ใช้มากระทั้งบ้านนั่นเนยที่ทำงานฉันใครมายืมใครมาอะไรฉันก็ให้ไปจนวันหนึ่งก็นั่งอยู่ด้วยกัน ก, กับเพื่อนร่วมงานรุ่นน้องเาก็ขอยืมกันไกลตัดเล็บแล้วก็หยิบส่งให้ในเวลานั้นก็มีอาจารย์อีกท่านหนึ่งเข้ามาก็าถามขึ้นมาเอา้านี่เธอสองคนยืมกันไกลตัดเล็บกันเหรอทั้งสองคนก็บอกใช่มีอะไรหรือเปล่าก็าบอกอ๋เป็นชั้นฉั้นไม่ยืมใครนะบอกอา้าเธอถือเหรอถือเขาบอกเขาถือเพราะว่ามันเป็นของใช้ส่วนตัว ขณะที่เราสองคนก็ไม่ได้คิดว่ามันเป็นของใช้ส่วนตัวอะไรมันไม่ใช่แปลงสีฝันมันไม่ใช่ของอะไรที่มันลึกซึ้งขนาดนั้นแต่ว่าไอ้ที่พูดก็เพื่อจะให้ได้เข้าใจโลกว่าจะมีคนอยู่หลายประเภทลองถามนักศึกษาเนี่ยนะครับในหนึ่งห้องสี่คนเนี่ยมีคนที่คิดว่าหนึ่งในของใช้ที่ไม่ควรหยิบยืมกันเลยเนี่ยนะ หนในนั้นน่ะคือการไกลตัดเล็บมีบางคนบอกหวีบางคนบอกลิปสติกสําหรับหญิงสาวคือเรื่องสําอ้างบางคนบอกแปรงสีฟันซึ่งส่วนใหญ่ก็มักจะเป็นแปรงสีฟันนั่นแหละแล้วก็จะมีของใช้ส่วนตัวอื่นๆอีกสําหรับหญิงสาวก็อาจะมีมากหน่อยใช้หนุ่มเขก็ไม่ได้คิดอะไรมากก็เอาเป็นว่าตั้งแต่นั้นมาเลยไม่ค่อยจะสะดวกที่จะยืมอะไรใคร จะยืมอะไรก็มักจะถามก่อนว่าจะเป็นไรไหมถ้าเปิดฉันจะยืมคือการไกลตัดเล็บนี่แหละเพราะว่าหนามมันตำหรือไม่ก็เล็บมันขบเราที่นิ้วมือไม่ได้นิ้วเท้าหรอกนะจะขอนิดหน่อยเขาอาจจะไม่สะดวกใจให้เรายืมก็ได้ก็พูดกันตรงๆหรือไม่เขาก็บอกว่าเออไม่ต้องยืมหรอกฉันให้ไปเลยเออให้ไปเลยก็ก็แล้วแต่อันนี้ก็เป็นเรื่องที่พูดคุยกันเกี่ยวข้องกับ เรื่องของการขอหยิบยือมอะไรมารยาทอื่นๆเนี่ยการถือวิสาสะกับการทึกทักเอาเองเนี่ยบางคนไม่คิดถึงหัวอกเขาหัวอกเราเคยไปต่างประเทศแล้วก็มีคนบอกว่าเออรุ่นพี่รุ่นน้องเขาอยู่ที่เมืองนั้นนั่นแหละอยู่ไม่ไกลกันหรอกกับที่ที่เราจะไปพักนั่น รบกวนยังไง เ, ออเดี๋ยวเขาจะมาเอาของฝากที่โรงแรมที่เธอพักนะเอาเลยไม่ได้ถามฉันสักคำหนึ่งว่าน้ําหนักกระเป๋าฉันเนี่ยมันมากน้อยแค่ไหนที่จะฝากไปเอ้นี่ขาไปคงไม่เป็นไรเพราะเราไม่ได้ซื้อของอะไรแต่ขากลับนี่คนเราก็มักจะมีของที่ยูระลึกบางของจะไปฝากคนนู้นคนนี้ก็กลายเป็นว่า รุ่นพี่รุ่นน้องคนนั้นก็ฝากของกลับเข้ามาอีกนั่นก็ไม่ได้ถามฉันสักคํหนึ่งเลยว่าน้ำหนักมันมากน้อยแค่ไหนเออฝากเป็นการ์ดฝากเป็นเอกสารที่มันไม่หนักมากก็คงไม่มีใครว่าไรแต่นี่เล่นฝากกันของชิ้นใหญ่โตมาหือมาเหมือนกันกับการที่ฝากใครซื้อของหรืออะไรเนี่ยก็คนต้องคานึงด้วยว่าเขาจะ เขาจะสะดวกซื้อมาให้หรือเปล่าเราฝากตังเขาไปล่วงหน้าหรือเปล่าหรือเขาซื้อด้วยเงินสกุลไหนอันนี้เป็นเรื่องนิดๆหน่อยๆที่ไม่ควรจะมองข้ามกันเดี๋ยวพักกันสักแป๊บเดียวแล้วเดี๋ยวกลับมาคุยกันเรื่องมารยาทในการดาเนินชีวิตต่อครับ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 ตฏิเสธใจตัวเองไม่ได้ก็ต้องยอมรับต้องยอมเกลื้นคำบอกลาที่เคยพูดไว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 คุยกันต่อว่าโดยเรื่องของการใช้ชีวิตแบบคนที่ได้ชื่อว่ามีมารยาทความจริงแล้วอยากจะบอกงี้เหลือเกินว่ามารยาทมันเป็นเรื่องเรื่องสากลน่ะมารยาทตัดทอทหารออกก็เป็นมารยาจะว่าจริงๆทุกครั้งที่เรามีมารยาทเป็นไปได้ไหมว่าเราก็เราก็มารยาหน่อยๆอแต่มันก็เป็นมารยาที่ พึงกระทำด้วยการข่มจิตข่มใจที่จะไม่ทำอะไรอย่างที่ตัวนึกจะทำขึ้นมาโดยไม่นึกถึงหัวอกเขาหัวอกเราการอยู่ในที่ทำงานการเปิดคอมพิวเตอร์เสียงดังการใช้คอมพิวเตอร์ซึ่งเป็นของส่วนกลางจุ่มปุกอยู่โดยไม่ได้ลุกขึ้นในคนอื่นใช้บ้างการไปปิดแอร์เขาเพราะว่าเรา เราหนาวเกินไปกันไปปรับแอร์ให้มันเย็นมากอะไรเงี้ยรแต่เป็นเรื่องที่ที่บางทีก็ต้องเรียกว่ามันคือมารยาการจะใช้โทรศัพท์ของที่ทำงานไปพูดคุยด้วยเรื่องส่วนตัวโดยใช้เวลานา น, านๆอย่างนี้เป็นต้นเรื่อยไปกระทั่งที่ประชุมมารยาทในที่ประชุมก็ต้องมี จะนั่งตรงไหนจะพูดอะไรจะ จ, จะาจจาอะไรกับใครก็คงต้องดูว่าเรากำลังอยู่ในที่ประชุมเราไม่ใช่อยู่ตรงไหนซึ่งก็นึกจะทำก็ทานึกจะพูดก็พูดแต่ก็ต้องผ่านกระบวนการกลั่นกรองให้มันมากน่อยมาถึงถ้าหากว่าพูดกันถึงมารยาทในที่สาธารณะ สังคมไทยปัจจุบันนี้ในบางส่วนก็ดีขึ้นนะครับในมุมมองของตัวเองในบางส่วนก็อาจจะเลวร้ายลงไปอีกการเข้าคิวอันนี้เป็นภาพที่ดีขึ้นการเข้าคิวไม่จำเป็นต้องมามีร่องมีรางมีเหล็กมากั้นมีราวมาขวางอะไรล่ะแต่คนไทยก็จะเริ่มเริ่มรู้แล้วล่ะว่ามันเป็นสากลการซื้อของ ก็เข้าคิวกันการไปธนาคารจ่ายเงินไปเบิกเงินอะไรก็มีคิวกันการใช้ลิฟต์ใช้อะไรอย่างนี้อันนี้เป็นเรื่องที่ที่สังคมไทยดูดีขึ้นมันก็จะต้องมีคนที่ไม่ค่อยจะจะมีมารยาทในการใช้ใช้สมบัติสาธารณะหรือปฏิบัติต่อคนอื่นในที่สาธารณะในลิฟต์อย่างนี้ พูดคุยกันเสียงดังเหลือเกินเราไม่ได้อยู่แค่พักพวกของเราในบางครั้งหากมีบุคคลอื่นมามารยาทในการใช้ลิฟต์ก็คือจะต้องเงียบการพูดคุยกันในร้านอาหารก็ดูอีกสังเกตไหมว่าร้านอาหารที่เป็นอาหารญี่ปุ่นเนี่ยมักจะเงียบเงียบเปิดเพลงติ้งนองติ้งนองอะไรก็ธรรมดาเงียบเงียบแต่ถ้าหากเป็นร้านสุก เป็นร้านอะไรเราจะได้ยินเสียงดังโครมครามและที่ประหลาดก็คือไม่รู้ว่าบริกรเขาเป็นอะไรของเขาอีร้านสุกี้นี่นะคนไม่ต้องออกชื่อเสียงเรียงนามะนะว่าร้านอะไรจะต้องมีของหล่นให้เราได้ยินสักครั้งละนะตลอดเวลาที่เรานั่งกินกันไม่แก้วหล่นถ้วยชามรามไหช้อนซ่อมตะเกียบอะไรสักอย่างแล้วก็ เสียงดังพอหล่นไปทีนี้แหละก็ตะโกนกันแล้วขอโทษค่ะขอโทษค่ะอ้าวความจริงไม่ต้องขอโทษหรอกถ้าหากว่าจะทําอะไรให้มันให้มันเรียบร้อยขณะเดียวกันลูกค้าที่เข้ามารับประทานอาหารก็คงต้องต้องดูว่าเป็นร้านประเภทไหนถ้าหากว่าเป็นประเภทที่เขาเอะอะมาเทิ้งได้ก็ไม่ว่ากันละนะ หรือกระทั่งในผับในบาร์อะไรก็อันนี้ก็ไม่ว่ากันแต่ร้านอาหารทั่วไปก็การพูดคุยอะไรก็อย่าให้มันเสียงดังมากนักหรือไม่ก็ไม่ควรที่จะพูดจาอะไรที่ไปกระทบกระเทือนคนอื่นเขาเหมือนอาจารย์รุ่นน้องก็มาเล่าให้ฟังว่านั่งกินข้าอยู่ในร้านอาหารแห่งหนึ่งโต๊ะข้างๆซึ่งก็เออเป็นแม่ลูกแม่คงจะรับลูก กลับมาจากโรงเรียนลูกอนุบาลลูกปถมป .1 ป .2 เลยประมาณอย่างนี้แหละขณะที่บริกรกำลังมายืนรับรายการอาหารที่อาจารย์รุ่นน้องกำลังนั่งอยู่นั้นเองยัลูกก็แม่ก็คงจะภาษาคนกรุงเทพนะครับก็ ดูการบ้านลูกลูกก็งอแงไม่อยากทําไม่อยากจะอะไรออาแม่ก็บอกลูกต้องขยันเรียนนะหนูขยันเรียนแล้วต่อไปเนี่ยหนูจะได้มีงานดีๆทำมีเงินนะแต่หนูไม่ขยันเรียนหนูดูรวยแบบรุ่นพี่ก็สินี่ๆ ๆ, ๆเ่ๆเนี่ยหนูก็ต้องมาทํางานแบบนี้ลหละนั่นแล้วก็ชี้ให้ลูกดูที่บริกรซึ่งกำลังยืนรอรับคาสั่งอาหารอยู่ที่เป็นเรื่องที่ พูดอะไรนี่จะว่าไม่มีมารยาทหย่อนยานการอบรมหรือไม่เป็นผู้ดีก็สุดจะคาดเดาเราไปพูดอย่างนั้นเท่ากับเราไปปรามโมทเขาเรารู้ได้อย่างไรว่าบริกรซึ่งกําลังรอรับรายการอาหารนั้นเนี่ยจะต้องมาทํางานอย่างนี้ก็ามาอย่างนี้แปลว่างานมันต่ํามากหรือยังไงลูกถึงจะต้องเรียนให้มันสูงสูงแล้วถ้าเด็กคนนั้นเป็นเด็กที่เรียนใน มหาวิทยาลัยชั้นนำเรียนในคณะที่ผลผลคะแนนสอบเข้าต้องสูงมากแล้วจะพูดยังไงนี่คือจะว่าไม่มีมารยาทก็ก็คงสะท้อนได้เรื่องของการการที่ได้รับการศึกษามัมนมากน้อยแค่ไหนการศึกษาอาจจะไม่ได้ช่วยมนุษย์เราให้พูดคุยหรือพูดจาอะไรในทางที่ดีก็ได้ ไปดูที่สาธารณะอื่นๆว่ามารยาทโดยทั่วๆไปนั้นควรต้องทำอย่างไรบ้างการเดินในที่แคบการ เ, าเดินที่บันไดเลื่อนในในรถไฟฟ้าสถานีรถไฟฟ้ารถใต้ดินหรืออะไรก็ตามแต่เนี่ยก็ต้องดูป้ายว่าเขาเขียนว่าอะไรปกติถ้าหากว่าเราขึ้นสะพานลอยเนี่ย เราก็จะเดินชิดขวาอันนี้เป็นปกติแต่พอเราไปใช้รถไฟฟ้าใต้ดินก็จะบอกให้ยืนชิดทางด้านขวาแต่ใครจะเดินให้ก็เดินไปทางด้านซ้ายซึ่งก็มันก็ออกจะประหลาดเพราะว่าปกติเราเดินขวาแต่นี่มาให้เดินซ้ายแล้วก็จะขึ้นป้ายว่าการุณางดเดินตอนที่ใช้บันไดเลื่อนมันก็จะมีคนกลุ่มหนึ่งซึ่งรีบมาก รีบลึกเกินก็จะต้องวิ่งแหวกคนเข้ามาบนบันไดเลื่อนนั้นซึ่งก็ความจริงแล้วถ้าหากรู้ว่าตัวจะต้องรีบก็ค่อยๆก้าวทีละขั้นทีละขั้นก็ได้อย่าไปวิ่งเสียจนมันเสียมันจะถูกคนอื่นดูถูกซะล้วนะว่าไม่ได้ดูหรือป้ายเขาก็เขียนแล้วว่ายืนตรงไหนเดินตรงไหนแต่ขณะเดียวกันเขาก็บอกอีกว่า กรุณางดเดินเอาเถอะถ้ามันจําเป็นต้องเดินก็คงไม่ถึงขนาดต้องวิ่งหรืออะไรขนาดนั้นหรอกนะหรือเดินเดินไปซื้อข้าวซื้อของแถวสําเพงภารัฐยาวราชเนี่ยคนเยอะๆอย่างเงี้ยเราจะไปเที่ยวแซงคนโน้นคนนี้ในการเดินหรือเรารําคาญคนที่กําลังซื้อหรืออะไรก็ต้องเอ่ยคําว่าขอโทษขอโพยเขาสักหน่อยจะดีกว่าหรือไม่การ เรียกรถแท็กซี่นี่เจอบ่อยมากถ้าหากว่าเรากำลังรอเรียกรถแท็กซี่สมมติเรารอจุดเนี้ยแล้วก็จะมีบางคนมาไปดักต่อหน้าเรานั่นก็ห่างกับเราแค่ไม่กี่เมตรนี่แหละก็เดินไปดักต่อหน้าเราแล้วก็โบกแท็กซี่อา้าวเราซึ่งรอมาจะตั้งเป็นเวลานานเนี่ยนะแล้วเธอก็มาตัดหน้ากันซะอย่างนั้นรู้สึกเป็นคนที่ ไม่ไดีเรื่องมากอะไรอ่ะนะแต่มองคนในสังคมนี้ว่าเรากำลังหย่อนยานเรื่องของมารยาทเข้าทุกทีหรือเปล่าขึ้นรถโดยสารประจําทางอย่างนี้ที่น่องที่นั่งอะไรทั้งหลายมารยาทน้ำใจมันอาจจะมาพร้อมกันหรือไม่พร้อมกันก็ตามแต่ละใช้บริการรถโดยสารประจําทางการมีมารยาทเช่น มาก่อนก็เข้าไปข้างในก่อนได้ไหมนี่ก็ค้าไม่อยู่ถแถวประตูนั่นแหละขณะที่ไม่ได้มีน้ำใจเลยถ้าฉันได้นั่งและฉันก็นั่งจุ่มปุกอยู่นั่นไม่ลุกให้คนอื่นนั่งก็ยังไม่ว่าแต่การที่ไม่ช่วยถือของอะไรเลยทั้งที่คนเขาก็ยืนข้างๆเราเข้าของขก็พรุงพรังเป็นบ้าหอบฟางก็ไม่ได้มีน้าใจที่จะช่วยอะไรเขาเลยบางคนนั่งรถตู้ หลังๆนี่รถตู้นี่น่าจะดีขึ้นนะครับเพราะว่าใครมาแล้วก็มานั่งขวางประตูที่จะมุดเข้าไปข้างหลังเนี่ยก็จะถูกโชเฟอร์บอกว่ารบกวนไปนั่งข้างหลังให้เต็มๆก่อนอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ป ร, รับพฤติกรรมได้ดีขึ้นการไปดูดูหนังไปอะไรในโรงหนังทั้งหลายก็ต้องดูว่าเขา ดูกันด้วยความสงบอันนี้ก็ดูไปภาคไปดูไปภาคไปเพราะตัวเคยดูมาแล้วหรือกินอาหารที่มันไม่ค่อยจะจะน่าโศภาเท่าไหร่อาหารมันมีกลิ่นแรงเช่นกินลูกชิ้นปิ้งซึ่งกับรู้หอบเข้าไปได้ยังไงก็ไม่รู้แล้วก็หยิบเอาปลาหมึกปิ้งปลาหมึกแห้งเต่าทองอะไรขึ้นมาหยิบกินแล้วก็ดื่ม น้ำมัดลมเข้าไปอีกทีนี้มันก็เกิดการตีกันก็เอิกอากเอิกอากแม้กลิ่นก็ไม่ค่อยจะโสภาเท่าไหร่บ่นกันเรื่องของความมีมารยาทของคนในสังคมซึ่งก็บางอย่างก็ต้องยอมรับว่าดีแล้วแต่บางอย่างอาจจะต้องไปไปปรับปรุงหรือเห็นใครที่เขามีมารยาทที่ไม่สู้จะดีนักถ้าหากว่า เป็นรุ่นน้องเราลูกเราอะไรคงต้องอบรมสั่งสอนกันมาตั้งแต่ในบ้านเพื่อที่เขาจะได้ก้าวออกไปสู่สังคมภายนอกได้อย่างคนมีมารยาทได้อย่างผู้ที่ได้ชื่อว่าผ่านการอบรมสั่งสอนมาอย่างดีวันนี้บ่นเป็นคนแก่ไปเสียหลายนาทีแล้วกลับมาพบกับรายการเพลินภาษานานาสาระได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าสาหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ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 Say.